Book 2ูสิบสองดิวปัตสมิทเครื่องดื่มเจเรนี่ผมดื่มชาครับเอ S zero T อยูผมดื่มกาแฟครับเอสเจรุ ผมดื่มน้ำแรกครับ S Zero Mineral คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ Vi t r ยูอาซิ r o n ้คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ Vi z e r c a f f e ูอาซุร คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับไวตูเซรอูดนิอัลลามีงานเลี้ยงที่นี่เตอิร์บัลลีเตคนกำลังดื่มแชมเปญเยอุดิสเซร์ิร์กตัวชัว์วีคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์เยอุดิสเซอ์ วีโน่อุนเลคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับไวตูดเซร์อัลกอฮอล์อิ s คุสเ e เรีคุณดื่มวิสกี้ไหมครับไวตูดเซร์วิสกี้ยุคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมครับวตูดเค้อารม ผมไม่ชอบแชมเปญมันเนกริรตชัสบีนส์ผมไม่ชอบไวน์มันเนกรชวนส์ผมไม่ชอบเบียร์มันเนกัรชัวอลุสเด็กอ่อนชอบดื่มนมมาซูลิมเนกัรวเปีย์ เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ลแบรนด์น้ำกัชัวคาโคลอุนอบัลสูลผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุต s i e ว i e เตกัลชวแอปเลซีนสูลอุนกรฟฟรูตุสูล